อุบายที่จะถ่ายถอนออกรูปถ้าพูดสำนวนที่เราคุ้นเคยเลยอ่ะวิธีคิดคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่ากาม์กาล ม, มาสมุไทยกาลมะนิโรธกา ม, มานิโรทคาไมินีปฏิปทาคําว่ากามก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะกาล ม, มาสมุไทยก็คือเนี่ยความน่า ย, ยินดีของกามกาลนี่มันให้สุขโสมนัสอย่างไรกามะนิโรธกามะนิโรทัก า, ามินีปฏิปทานั่นแหละคืออุบายเครื่องสลัดออกจากกาม เนี่มาขึ้นรูปว่ารูปรูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ในพระสูตรนี้แสดงเป็นปุคลาทิฐานเป็นหลักนะไม่ไม่ไม่เน้นโดยธาตุแต่รูปนั้นแสดงโดยปุคลาทิฏฐานเป็นการแสดงกายานุปัสนาอีกวิธีหนึ่งนะนะมันใครที่สนใจกายานุปัสนาสติปฐาน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 คือรูปเนี่ยมันน่ายินดีอย่างไรรูปนี่น่าพอใจอย่างไรรูปน่าปรารถนาอย่างไรหรือเทพพูดอีกแปลกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่ารูปมันน่าปรารถนาอย่างไรรูปเนี่น่าพอใจอย่างไรรูปให้สุกสมมนัติอย่างไรนั่นแหละคืออัศทะของรูปคือความน่ายินดีของรูปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นความน่ายินดีของรูปทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหมือนอย่างว่า นายกตัวอย่างนางสาวเผ่ากษัตริย์นนะเรียกว่าเป็นขติยะตระกูลเผ่าพราหม์หรือเผ่าเครือหาบดีเอาแบบกลุ่มคนที่เรียกว่าไม่ตรากตรางานหนักเนี่ยนะนะเอากลุ่มคนที่ว่ามีบุญว่างั้นบุญอย่างดีนํามาเกิดเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาสารพราหม์มหาสารเครืหาบดีมหาศาลผู้มั่งคั่งเนี่ยนะนะมีอายุระบุได้ประมาณ15ปีหรือ16ปี ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่พร้อมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปก็ปแปล ว, ว่าคนสวยว่างั้นเถอะประกวดนางงามจักรวาลได้ดูก่อนพี่สูทั้งหลายในสมัยนั้นนางคนนั้นนั่นแหละงดงามเปล่งปลั่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่บอกว่าสวยจริงๆเลยใช่ไหมบอกภิกษูก็พากาันกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิ่สูทั้งหลาย ความสุโสมมนัดอันใดที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามเปล่งปลั่งนี้เรียกว่าอาัศทาะาความน่ายินดีของรูปคือคเรียกว่ามันให้อะไรนะให้ความสุขมากสำหรับคนที่ได้พบเห็นหรือว่าให้ความสมมนัดบ้างในคนที่ได้พบปะเจอะเจอเป็นต้นในคนที่เขาปรารถนาฝ่ฝันที่จะเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสุขของเขาแล้วงนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากการน่นะ ความงดงามของรูปความสุขเหล่านั้นแหละเรียกว่าอัาธะของรูปความน่าพอใจของรูปรูปนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งอะไรโสกปริเทวทุกโทมณัตแหละว่า ง, งั้นอัศเหตุหรือต้นเหตุของโสกปริเทวทุกโทมนัอุปายาตเพราะความสุขหมดไปอะไรตามมาทุ ก, ก็ตามมาถ้าความโสมนัหมดไปอะไรตามมาโธมนัตก็ตามมา มันทุกโทมนัสจะตามด้วยโศกะปริเทวะและอุปายาตเนี่ยนะมันที่เหลือก็จะเป็นโทษทั้งหลายทีนี้ความน่ายินดีของรูปก็มีว่าให้สุขและโส ม, มนัสทีนี้มาดูโทษของมังอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนไม่ได้สอนด้านเดียวสอนทั้งด้านวัตตะและเววัตตะมันคําว่ารูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้ายกตัวอย่าง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 อะไรเล็บที่งามฟันที่งามผิวหนังที่งดงามอันนั้นแหละเพระนั้นความงดงามก็คือผมขนเล็บฟันหนังก็ประกอบด้วยภูตรูปและอุ ป, ปาทายรูปทั้งหลายเพราะนั้นรูปที่งดงามอันนั้นจะต้องเป็นรูปที่มีวิญญาณครองในรูปที่เกิดจากบุญหมือนกนเถอะรูปที่บุญกรรมที่ตกแต่งทําให้งดงามวิจิตพอได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ทําให้เกิดสุขสมนัตเกิดความสุขสดชื่นอันนี้แหละเรียกว่าอัสร์ท่ความ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 ดก่อนี่สูตทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาทีนวะโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนพี่สูตทั้งหลายบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแลโดยสมัยอื่นนะนะอดีตเคยเป็นนางงามจั ก, กรวาลเมื่อเจ็ดแปิปีที่แล้วงนนี้ป่ะนีสมัยนั้นเขาสมัครรัศดไม่ทราบ น, น, นะหมายความว่าเคยงามเมื่อสมัยนานเลยเหมือนกนก็ไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งโยมเขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยเป็นนางงามประจําจังหวัดนะ ก็ตอนนี้ก็คือคุณยายที่อายุแปดเก้าิแล้วละ่ะที่มีไปไหนก็ต้องมีสายยางเนี่เหน็บจมูกไว้ตลอดไว้หยอดอาหารเป็นต้นเนนะแต่ก็ใช่ละ่ะเคยงามมากเลยเมือม่อหลายเมื่อสี่หปีที่แล้วละนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แนละ้วบ่างั้น <c oughs> ก็เลยบอกว่าเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละโดยสมัยอื่นอายุแปดสิบเกิหรือร้อยปีตั้งแต่เกิดเป็นคุณยายที่แก่มีซี่โครงโคดเหมือนดังกลอนเรือน ร่างกายก็โคตรงอถือไม่เท้ากระงกกระเงินเดินกระสับกระส่ายเป็นโรคกันนะโรคชราเข้ามาเยือนผ่านวัยเยาว์ผ่านวยาัยสาวไปแล้วมีฟันก็หลุดแปลว่าระบบทําฟันไม่ดีใช้ฟันในร่วงหมดเลยไม่มีฟันปลอมใส่ผมก็งอกผมก็โกรนศีรษาก็ล้านไปเรื่อยๆเนี่ยนะซีสหัวก็ล้านเนื้อก็เหี่ยวเนือ้อตัวก็มีแต่กระเนี่ยนะ เรว่าความงดงามไม่รู้หายไปไหนหมดเนี่ยนะมีแต่รอยตกกะเต้นไปหมดเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพวกเธอจัดสำคัญความข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรืออาทีนวะปรากฏแล้วใช่ไหมใช่ไหมพัน้าเราไปเห็นคุณยายเนี่ยที่อายุแป0เก้าสิบไปแล้ว สันงเ ง, งื้เงเนี่ยถามว่าเราจะคิดยังไงออสุขเลยใช่ไหมดีใจมากใช่ไหมอยากเห็นอย่างนี้มานานแล้วบอกไม่เห็นแล้วก็เรียกว่าแมมทุกโทมนัสก็ตามมาและที่สำคัญตัวคุณยาเองก็ไม่รู้โรคกี่โรครุมร้าอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะอันนี้แหละคือโทษของรูปทั้งหลาย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 ก็ตามเนินนะโรดไล่ั้อมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีปากก็โรคช่องปากโรคทางเดินอาหารโรคฟันโรคลิ้นโรคเพดานปมเหงือกว้วนะโรคผิวหนังโอ้ยไล่ไปเถอะต่างกันหัวโจราเนี่ยตัวโรคทั้งนั้นแหละก็บอกว่าโทษปรากฏแล้วใช่ไหมนี้ใช่ไหมเป็นโทษของรูปเหมือนกันนะก็คิดดูนะว่าความเป็นสาวมันน้อยอ่ะแต่ความชรามีมากกว่านะคิดง่ายง่ายงั้นนะ เขาว่าความงดงามเนี่ยมันไม่มากตั้งอยู่แป๊บเดียวที่เหลือมีแต่ความชราดูก่อนะิสู์ทั้งหลายก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระองค์บอกนี่แหละเป็นโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนพิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพิงเห็นสาวคนนั้นแหละมีอาพาธเป็นทุกข์เจ็บหนักนอนจมอยู่ในกองมูดคูดของตนเนี่ยนะไม่มีพยาบาลเป็นต้นคอยดูแลเลยเนี่ยนะ ต้องให้คนอื่นเนี่ยพยุกต์พยงลุกพยุงนั่งต้องคอยให้คนอื่นเนี่ยประคองนะจมอุจารปัสสาวะเนี่ยนะอักมาว่าชราก็ชราหนักหนาอยู่แล้วแล้วก็ผสมปนเปกับไม่ได้อาบน้ําคนอื่นไม่มีใครมาคอยดูแลนี่จะเป็นยังไงนอนซ้มอยู่นั่นแหละดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงูดงามความเป่งปลังปล่งที่มีในก่อนนั้นหายไปแล้ว โทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายโทษของรูปมันเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้แหละดูก่อนพิสูนทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปดูก่อนพิสูนทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิงเห็นนางสาวคนนั้นแลเป็นซากศพเนี่ยนะสิ้นชีวิตไปแล้วถูกเข้าทิ้งไว้ในป่าช้า ตายได้วันหนึ่งสองวันสามวันเป็นซากศพที่ขึ้นพองสีเขียวเกิดหนอนเนี่ยชรนชัยดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรความงดงามแปลงปลั่งที่มีในก่อนนั้นอ่ะหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของรูป การที่เห็นรูปโดยโทษของความเป็นรูปจริงๆเนี่ยนะถามว่านํามาซึ่งความเบื่อหน่ายใช่ไหมเพราะปัญญาที่เห็นว่ารูปเนี่ยมีโทษนั้นเป็นอาทีนวาอาทีนวานุปัสสนาตามเห็นรูปเนี่ยมามีโทษเนี่ยนะนี่แหละคือเรียกว่าเจริญสะระนะเจริญอาทีนวานุปัสสนาเนี่ยนะเห็นโทษหรือว่าอาทีนาวสัญญาถ้าในสัญญาสิบประการคิริมานนทสูตรหรืออาพาธสูตรเนี่ยนะก็คือ จเจริญอาทีนวสัญญาเห็นพิษภัยทุกโทษทั้งหลายของรูปมันพ อ, อตายไปแล้วสองสามวันไปแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เป็นซากศพที่ขึ้นพองสีเขียวนอนก็ช้อนชัยกลายเป็นอาหารของนอนไปแล้วเนี่ยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเนี่ยนะคนที่เคยเป็นนางงามเมื่ออายุ16อ น, นั้าสิบกนั่นแหละ มาบัดนี้เนี่ยนะเป็นซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าฝูงการุมกันจิกกินบ้างฝูงแรงรวมกันจิกกินบ้างฝูงนกเข้ารวมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขรวมกันกัดกินบ้างฝูงสุนัขจิ้งจอกรุมกันกัดกินบ้างฝูงป่านักชาติต่างๆรวมกัดกินกันบ้างดูความพี่สูจนทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่ง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 เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูกวานพิสูจนทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายไปเคยไปปล่อยปลาเนี่ยบางแห่งเวลาเนี่ยก็มีมอดินนะมอดินค้าย ม, มอหอยที่เขาใส่กระดูกกันนะก็เขาลอยน้ำมาเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็มาแตกอยู่ตรงนั้นฮ้บางคนก็เดินเตะเดินอะไรมันก็แตกกระดูกก็เกลือนแถวนั้นอนะ่ะโพลเหมือนอนะ่ะมันก็เปลือกหอยอ่ะนะถ้าเป็นชายทะเลนี่เปลือกหอย นนถ้าเป็นโครงกระดูกอ่ะโครงกระดูกของมนุษย์ที่ถูกเผาแล้วเอาไปทิ้งไว้ข้างๆฝั่งอ่ะนะกับเปลือกหอยไม่ต่างกันอันใครไปชายทะเลเนี่ยกระดูกหอยละว่าไงนั่นแหละกระดูกหอยหรั่เปลือกหอยฉันใดกระดูกคนทั้งหลายก็ไม่ต่างกันกระจัดกระจายไปอย่างนั้นแหละเนี่ยนะ